<c oughs> ฟังทากันตามการทําเวลาเป็นมงคลฟังทาก็คือฟังการกระทามาบอกให้ทาเพราะการกระทามันเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการกระทามีผลของการกระทํามน่เรามาทำกรรมาฐานเรามาภาวนา คือมากระทำให้มันเกิดขึ้นเห็นแล้วว่าเจริญสตินเนี่ยม็มีสติจริงๆเมงมอมีสติมันก็เป็นกรรมมีสติเห็นกายประดูกายเห็นกายก็ปเป็นการกระทาที่มีสติเห็นกาย นีสติเห็นความคิดเมื่อมันเห็นเรามันก็มีการกระทำเห็นความคิดเมื่ามีสติเห็นความคิดตัวสติก็ไปเกี่ยวข้องกับความคิดก็สติก็ไปทำกับความคิดให้ความคิดไปทำกับความคิดให้สติไปทำกับความคิดถ้าสติเข้าไปทำกับความคิดแล้วความคิดก็กลายเป็น ถูกบอกถูกสอนหมือว่ น, น, นักเรียนที่ถูกครูบอกครูสอนอยู่หรือว่โลกเต้าถูกพ่อแม่บอกสอนอยู่ก็ได้เหมอกัว่าได้อบรมสั่งสอนนี่คือคือหลักที่เราทําเมื่อสติเห็นกาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ถูกสติสั่งสอนกาย กายก็ถูกอบรมสงสอนโดยสติถ้าเป็นสติรู้เห็นอันใดก็เป็นเรื่องเป็นการกระทำภายในทางดีไม่เหมือนความหลงเราามหลงไปอยู่กับผิดจิดก็เป็นไปในทางชั่วความหลงก็อยู่กับกายกายก็เป็นไปในทางชั่วความหลงก็อยู่กับวายจาวายจาก็เป็นไปในทางชั่วเราจึงมาทำกันจริงจริงจัง ใส่ใจให้มีการกระทําจริงๆสอดโล่สอดเห็นหลอกเห็นหลอลกโู่เปิดเผยออกมามาดูมาเห็นนะมันจริงจะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ใช่จะมัวแต่คิดมัวแต่ไม่ศรัทธามัวแต่ไม่เหตุมีผลมัวแต่ชอบมัวแต่ไม่ชอบไม่มีการกระทํามันก็อยู่แค่นั้นมันเสื่อมเสื่อมง่าย ศรัทธาก็เสื่อมเหตุผลก็เสื่อมความชอบพอไม่ชอบก็เสื่อมได้เพราะมันเป็นสมมติปัญญาตเท่านั้นมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้ถ้ายังไม่ถึงปรามา จ, จักะปรามาักรก็คือมาทำจริงจริงเนี่ยมีสติเห็นกายเห็นจิตเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตมากมายหลายอย่างสติเข้าไปดูไปเห็นทั้งหมดเนี่ย มันจะฉายให้เราดูมันจะแสดงให้เราดูว่ามันแสดงออกมาเราก็เห็นอนหนดเห็นอันนี้เห็นหมดเรื่องของกายเรื่องของจิตเห็นแล้วมันก็สลุเห็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรคือภาะวะที่เห็นที่ดูแต่ภาวะที่เห็นที่ดู ช, ชา่างช่องแค่ว่องไวจำนี้จำนานนั้นก็เฉลยได้ เห็นเห็นลอยหี่สรุกเห็นเป็นโลกประธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นโลกทุกข์เห็นเป็นนามทุกข์นั่นถ้าเห็นทุกข์อันเชื่อทุกข์ทาสติได้เห็นแล้วไม่เป็นอื่นก็ไม่ทุกข์ทันทีเห็นโกรธทาสติได้เห็นแล้วก็เป็นการไม่โกรธทันทีหน้าที่ของสติเป็นอย่างนั้นเหมือนหน้าที่ของแสงสว่างกำจัดความมืด แล้วมัไม่ต้องไปถามใครหรอกแต่เราเลยมีสติเข้าไปเห็นไปดูแล้วต้องเอาอันนี้ก่อนต้องสร้างตัวเนตต้องหันหน้าเข้ามาให้ตรงๆอย่าหลบไปทางอื่นดูให้มันซุ่มหน้าไปเชิญหน้ากันเข้าไปมันกับเขาโชควยก็ต้องไปเชิญหน้ากันจรงิงๆถึจงจะ มีประสบการณ์มีบทเรียนแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการเจริญสติถ้าสตินี่มันอุ่นอกุ้ใจมันมีช่นเชิงมันมีความพยภูมที่ดีกว่าถ้าอันชี้ว่าสติได้เห็นกายเห็นใจเห็นความโกรธเห็นความทุกข์เห็นอะไรก็ตาม มันั้นเชิงดีกว่าไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าแพ้ไ ม, มแพไม่แต่ชัยชนะไม่แต่อิสระภาพไม่แต่ปกติ <c oughs> ดำทุกอย่างให้เป็นปกติทําทุกอย่างให้เป็นความรูดแก่นเนี่ยความรู้สตัวนะเราจะมาสร้างไม่มีก็ต้องสร้าง <c oughs> ของที่มันสร้างได้ <c oughs> ไม่ใช่สร้างไม่ได้นะความรู้สึกตัวนะมันเป็นของที่สร้างขึ้นมาได้ไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีรัฐินม่กายความรู้สึกตัวนะมันสร้างขึ้นมาลงสนามยกมือสร้างจังบะเดินจงกรม เพราะสติต้องไปสัมผัสได้ทุกอย่างเอาพื้นที่ของกายเป็นสนามก่อนเป็นสนามฝึกก่อนเพราะนเขาไม่สนามฝึกมา้าไม่สนามฝึกยิงปืนไม่สนามฝึกฟุตบอลทีฬาต่างๆต้องลงสนามถึงเขาวิ่งก็ต้องวิ่งถ้งเขาอะไรก็ทั้งหมดนั่นแหละไม่ปฏิเสธอะไรเลยเจ็บปวดบ้างไม่เป็นไร หลวงพ่ไปเห็นเขาฝึกมาาที่ประเทศาว่าเขามีสนามสุดช <workout S 1> <Yeah. S 1> ั่วหูชั่วตาล่อมรั่วไปสูงสิบเมตรสิบสอบห้าเมตรสิบสอบเขามีล่อยางลดยางพอเขาเข้าไปในสนามเขาก็เอาลดยางเอามัดติดคอมา พ่อมาตีหลังม้ามนก็วิ่งไปเลยมันวิ่งไปแล้วแต่มันจะไปไหนเจ้าของก็นั่งกินกาแฟนั่งชาอยู่ประตูเลยวอ่งไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงลักหูลักตาไปเลยเรามันก็พารถเดินมายกยอก อ, อกมาอดรถออกจากคอมันจับรถใส่คนขึ้นขี่ขับไปได้สบายไม่ต้องไปคลมไปจับมันเ่ามาเมื่อมันถูกฝึก มัดรัดยางใส่คอมันแล้วแล้วนนู้นไม่เคยเพราะมันเคยแล้วเมื่ก็กินแหละํานานแล้วเชื่อว่ารถแล้วมันคล่องคอเมื่ อ, อไรก็ต้องไปทันทีแล้วมีนคนขับรู้เรื่องรู้ ร, ร, ราวนี้สุดก็ใชยได้นสน า, นามฝึกสนามฝึกชีวิตเราก็คือกายก่อนแต่มันคล่องถ้าฝึกกายได้คล่องมีสติเห็นกายคล่องเราก็ใช่ได้ไปใช่กับวาจาไปใช่กับความคิด ไปเชื่อกับอะไรได้ทั้งหมดนั่นแหละสําเร็จประโยชน์เหมือนเขาฝึกมาสําเร็จประโยชน์บอกให้เวียงก็เวียงบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปได้ตลอดเราหมอนจะคิดจนเลิกอยู่ไม่ฝึกตัวเองเป็นไปไม่ได้เราต้องฝึกมีสติมันก็ไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ กายเราก็มีอยู่มือก็มีขาก็มีเ้าก็มีหูก็มีเอาใหม่ๆเอากายก่อนจะไปคุมจิตแต่ไปคุมจิตมันไม่ได้เพราะสติยังไม่เจริญยังไม่มีพลังยังไม่ฝึกมว ย, ยไปโชคเลยก็ต่อยออกก็ตายไปแล้วตายเพราะไปฝึกจิตหลายคนแล้วเป็นสมถะเป็นวิปัสสโนเป็นกินทะยาน เป็นริบประลาดไปนอนริบประลาดเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นถูกสำคัญมันหมายตัวเองอะไรๆเก็จะไปคมจิตถ้าสติยังไม่แก่กล้าไม่มีพลังอาจ่งไปเกี่ยวข้องกับมันเฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนมันจะมายั่วเ ย, ย, ย, ย้ายั่งแยอะไรก็ตามอย่าไปยุ่งกับมันมันจะคิดดีคิดไมดีมันจะลูกมันจะไม่ลูก มาจะรู้ลอยจะออดัดกัะเครื่องอย่าไปยุ่งกับมั น, มมมม น, มนเอาไว้ก่อนมาลู่ร่างกายกับมาลู่กายก่อนเพียงแต่ว่าอุ้ยสำรวจตาดูเมื่อเราจะเดินทางเนี่ยเราต้องสำรองตาดูแต่จริงๆเราต้องดูทางเมื่อเห็นอะไรที่มันคนที่เห็นก็เห็นได้แต่เราก็ไปเรืยของเราต่อไปข้าณาเลยไม่ใช่หยุดใช่ย แ, แยกขัวแยกใายเราจะแยกขัวแยกแ้าใช่ มันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่ถึงไหนบาทีมันชวนให้แยกด้วยเห็นลมดีๆก็เชิญชวนให้พักก่อนมันชวนให้หลับให้นอนมันสบายดีแต่ว่ามันไปไม่ถึงเมื่อเราไต่สะพานข้ามไปศาลาหน้าบางทีมันก็ชวนให้นั่งข้างๆสะพานนั่นโดยชมบัวชมวิวชมสระน้าชมปลาไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้น เล ไ, ไม่ถึงสาลานาการเรินสติก็เหมือนกันมาดูกายก่อนกายนี่ก็คือเดินความคิดก็คือมันชวนให้แวะคว ม, มง่วงเาห้อยนอนความเบื่อหน่ายความเครียดมันชวนให้ไปไม่ถึงสาลานาสมมตินะสมมติว่าลักผลไม่ผ่านมันเหมือนกับสาลานาสาลาไก่เหมือนกับที่ตั้งต้นที่จะก้าวไป การผ่านไปถึงศาลาหน้ามอนก็มีออมายาสาไทยมีอาสาทะมีสาธะทําให้เดินไปเดินมายากว่าง่ายมากเดินมาทางศาลาหน้ามาศาลาไก่ก็ต้องทวนเหนื่อยหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเพราะเหนื่อยการเดินมานี่มันได้กําลังมันได้กําลังเดินขึ้นดินลงบอ่บอยๆอย่างหัวใจเนี่ย ลองเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆสักสองสามวันดูสิจะมีกําลังขากล้ามขาเนื้อกล้ามขานี่จะแข็งแรงจะแข็งแรงเดินขึ้นเดินลงได้สบายเราจะใม่เคยเดินเนี่ยขาจะอ่อนอ่อนรีบตีบเดินขึ้นรางวัลขาจะตึมขึ้นมาบางทีมันได้กําลังความเหนื่อยมันได้พลังงาน ความหลงก็ได้พลังแห่งความรู้ความโกรธมันก็ได้พลังแห่งความไม่โกรธล้เนี่ยถ้าเราทำถูกนะการสร้างสติเนี่ยไม่มีเสียไม่มีเสียหายขอให้ไปเห็นเอถอะสติไปดูอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายเนี่ยสติไปดูอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมีการศึกษาของจริงนะ่าปฏิเสธ อะไรทั้งหมดเมอวางคนปฏิบัติทำเพร่ออีดพุงส้นไม่สงบก็แค่แล้วยากไปปฏิเสธพอมาประเมินผลมอปอะโยู่ปฏิบัติไม่ได้คิดพุ่งซ้นอึดอัดคัดครื่งไม่ได้ผลสำเร็จถ้าไปอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ได้เห็นได้เห็นที่มันแสดงมันออกมาให้เราดูบางคนก็สบาย เพราบางคนก็อาจจะสุขสนบ้างในความคิดโดยเฉพาะขันท่ามันพาให้สุขสนหลายเรื่องเพอมันเคยมันเคยสุขสนมาหลายอย่างมาก่อนแล้วเห็นโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขาร ความสุขสนคิดชอบคิดอะไรชอบคิดเบื่อคิดดีคิดอะไรไปสารพัดเมื่อมันสุขสนมันก็ไปไปย่อมไปติดเอาอะไรก็เลยกลายเป็นวิญญาณเช่อนอบประมาวสังขารก็คือการสูบุหรีวิญญาณก็คือการติดบุหรีเพราะสูบมันจึงติดนตัว สัญวาก็คือก็สูบก็คือความอยากก็สูบจึงติดก็ติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากก็วนเวียนอยู่นี่เอาจริงมันคือการกระทําคือตัวกรรมเข้าไปสนับสนุนในการกระทําทนที่เราทํายู่นี่ก็ไม่สูบก็ไม่ติดก็ไม่ติดก็ไม่อยาก กม่อยาก็าไม่สูบเพราะไม่สูบก็ไม่ติดมันก็ทวนกระแสแล้วอนุโลมปฏิโลมอนุโลมมันไปหน้าปฏิโลมมันคืนมาข้างหลังเพราะวิชาเพราะวิชาเพราะอาวิชาก่อให้เกิดสังขารสังขารเกิดนามรูปนามรูปเกิดอริยตรรมอาิยธรรมเกิดปัสสะปัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตันหาประทานพระชาติ ช, าตชาตลามระโศกกระพริเทพุทโธไปหน้า ไปสู so us, killed, man, man, Estate, ่โลกแห่งความตายเพราะไม่มีเขาไม่มีิชายังไม่มีสังขารเพราะไม่มีสังขารน้ำโลกไม่มีน้ำโลกไม่มีอัทยาศาสตา์วิทนาศาตร์วิทานไม่มีพบสมิชาติไม่มีเทลามรณะโสกับเรทุกปฏิเทวทุกังกไปทางหนึ่งอีกนั้นเราเริ่มต้นตรงนี้ตรงความรู้สึกตัวมันก็เป็นวิชา มันก็เลยไม่ไปไหนมันก็กลับมันก็กลับมันก็กลับพอาะรูปมันก็ไม่หลงพอหลงก็ไม่โกรธไม่โลกไม่มีอะไรทั้งหมดเลยนะเรามาสร้างเนี่ยทํากับมือของเราเห็นกับตากับของเราเราผิดก็เห็นเราเองเราถูกก็เห็นเราเองเราสุข ก, การาทุกข์ก็เห็นเราเองนะนี่คือศึกษาของจริงมีการกระทำในเตัว ก, กรร ม, มาฐาน แต่เป็นการกระทําที่เป็นฝ่ายอื่นก็รวมอยู่ได้ทั้งหมดตอนีนตัวลูนผมร้อ ง, งปูเทียนว่าแต่ก่อ้อ ง, งปูเทียนเนี่ยสูบุรีสูบุรีมองราวสูบดีนะลุงพ่อก็เคยสูบบุหรี่มืองลาวสมัยไปปฏิบัติหน้รู้จักจกับนายตํารวจคนหนึ่งสมัยสงครามอินโดกีนเราไปลบราวเอาสูบบุรี่จากมืองราวมาเป็น หอ่ออหอหนึ่งก็เป็นสิบกล่องเราก็มาบอกเราว่าหลวงอาไม่ต้องอดตัวห้าปุลีผมจะเอามาฝาอาทิตย์ละอาทิตย์ละหอออะ่อพอไหมเออเรามาบอกไมาให้ขอมาบอ ก, ใ ห, อบอกให้อดปุลีเราผู้เทิดก็ติดปุหลี แล้วมันอยากสูบบุหรี่ตำรวจทียนเล้วไม่ฟังว่าไปปฏิบัติธรรมเลยที่ศิษย์เก่ใหม่วัดอืมอะไรตำรวจ <c oughs> ท่านก็ส <c oughs> ูบบุหรี่ไปวางไว้ข้างๆก็สั่งให้แม่ครัวเอากาแฟไปให้ดื่มทุก วันเดิมกาแฟสูบบุหรี่เป็นนิตใสหลงพอเทียนนิตใสพ่อข้าจ้างคนซักเสื้อผ้าให้จ้างคนทําอาหารให้ด้วยจ้างคนเชื่อบุหรี่ให้ทํากาแฟไปส่งยิวกาวแฟไปส่งบุหรี่ก็วางไว้ข้างๆรอมไปหน่อยๆมันก็คิดอยากสูบุหรี่พอเทียนก็ไม่อยากสูบเลย ให้มึงไปขาบเอาไปขาบเอาป่ะมืงอยากสูบอะไกูไม่ทำให้มึงไป่ใครมันต่อรองโอ้ยไปขาบเอาไม่ได้แล้วถ้าไม่ให้อนุญาตให้มือไปจับอขอให้มือไปจับมาเอามือไปจับไม่เอาไปใส่ปากออกจาปากแล้วคาบเอามืออยู่นู่น ปากมึงไปฆ่าผมก็เอาไม่ได้อขออนุญาตให้เอามาใส่ปากอ้าวเอาใส่ปากให้มึงให้มึงสูบนี่คลายกับว่าเล่นตลกพราะ้สูบไม่ได้แล้วถ้าไม่เอาไม่ขีดมาจุดให้มันก็หลายเรื่องกว่าที่จะได้สูบบุหรี่มันมีการกระทําหลายอย่างก็เลยเล่นกับมันน้อง ท้งมึงเนี่ยมึงบังคับกับใสนอ้องมึงทำให้กูหลงมานานแล้วมึงกับกูต้องแยกกันตั้งแต่วันนี้พอมันเห็นอย่างนี้นะมันทักพวกมันเห็นจริงจริตัวหลงตัวลู่นะเมื่อมีตัวหลงก็คิดไปต่างๆมือมีตัวลื่มันก็หยุดได้ทุกเรื่องทุกอย่าง แล้ว น, นั่นวิธีการจเจริญสติมันสมบูรณ์แบบถ้าเราใส่ใจดูดีๆเ ด, ดี๋ยวเราจะลุกเกยน่ะลองตรวจสอบมึงจะลูกเลยออกูยังไม่ลูกดกอกมึงจะนั่งอยังีงอีกอะจะเดินอยู่มันคิดจะนั่งมึงจะนั่งเลยเดีเ๋ยวกูยังไม่นั่งกูจะเดินอยู่โอ้ยถ้าไม่อนุญาตให้นั่งก็นั่งไม่ได้แล้วต้องอนุญาตก่อน มันก็ว่าสติเนี่ยมันเป็นใหญ่จริงๆมันทักท่วงอาการต่างๆที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นอื่นมีสติคอยดูคอยเห็นแต่ถ้าทําให้ดีๆนะมันก็ไม่นานนะมันประเดี๋ยวประดาวนะถ้าเราทํำดีๆอยา่าอย่ากรกเกือนนะนอย่างไรก็ทักท่วงดูดีๆก็ว่าเรา สงวนสงวนตัวที่จริงๆรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเนี่ยตักท่วงลูก่อนมันยังจะเป็นใหญ่ได้เหมือนเดีิมนี่ผมมอกความเป็นใหญ่ให้ลหลวงพ่องวนวัดถามมาไปหวานเม่มีคนมาถามผมก็บอกให้ไปถามลาหลวงพ่องวนแล้วขออะไรก็บอกให้ไปถามลาหลวงพ่องวน จะทําอะไรตรงไหนทําห้องน้ทำทําห้องส้วมจะทําอะไรตรงไหนแม้แต่ญาติยอมมายืมสิ่งของก็บอกให้ไปถามหลงงวงพ่อหนมีเนรใ น, ใ น, ในพระมาบวชก็บอกให้ไปถามลถหลวงพ่อหนุนือมอบความเป็นใหญ่พอมอบตวามเป็นใหญ่หลวงพ่อหนุนก็มีอนานาจบริหารงานเป็น บหารงานเป็นถ้าอะไรที่ทําไม่เป็นจริงๆเราก็วอนก็มาทำแต่เรามอบความเป็นใหญ่ให้กับความรู้สึกตัวใ ห, ใหญ่จริงๆไม่อํานาจให้ขออนญาตจะลูกก่อนลูกสึกก่อนเนี่ยจะนั่งก่อลูกสึกก่อนไม่คิดไปก่อนทักเครื่องดูอย่าให้ความคิดเป็นใหญ่อย่าลูกตามความคิดเนี่ยม <c oughs> ันจะมันจะประเดียวประดาวนะมันจะได้ ได้หลัก้ ง, ง่ายการปฏิบัติมันก็นไปสอนคนพระบวดใหม่รูปหนึ่ง่ที่ยดอนปี514รอสิบสี่เขาคิดเจ็ดสึกดูดีดมามาบอกระลาเสร็จก็บอกเขาว่าดูดีดีตัวคิดผมบอกให้ดูมันคิดดูกายถ้ามันคิดให้ทักท่วงดูมันอย่าทาตามมันเราจะดูที่บรา ก, ก็ไม่รู้หรอ ไม่ ไ, ด, ไ, ม ไ, ด, ม ด, ไมด้ไม่ได้กลับมาบอกขอศึกขอศึกไม่ยูไม่ได้หรอกผมไม่ใช่จะมาบวชตลอดไปผมบวชเพื่อดลอดน้ดยเฉยผมไม่ได้บวดมาปฏิบัติเพื่ออะไรหระผมบวชที่ใช้บังคับให้บวชอ้าวไม่เป็นไรหรอกบวชจะไหก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเวลานี้เรามาดูเรามาสร้างสติไม่ได้ไปคิดเรื่องศึกดีดีดดี ด, ด, ด, ดีอ้าวกลับไปกุมารหน่งสองสามรอบ ดําขังเครียดโซผมก็เหาะเล่นเหมือนกขนาดนี้เลยเนี่ยความคิดเฉยๆก็ไปขนาดนี้เลยดูดีๆสิอันเรมันพาให้เดินมาเนี่ยแต่ก่อนคนเหมือนเดินอยู่ตรงนู้นเนาะเดินอยู่ตรงนู้นผมก็เดินอยู่นูองผมก็ดูอยู่เนี่ยแล้วทํำไมจึงเดินอ่ะอะไรมันสั่งเนี่ยทําไมไม่เดินเนี่ยดูดีๆมันสั่งให้เราเนี่ยก็ไปตามความคิดตะพึดตะพื่อย่างนั้นเลยลองดูดีๆ วังคับเข้าไปวังคับเข้าไปเอาไปออกมาไม่มาแล้ยผมก็เดินสังเกตุพอเดินมาวันนี้หน้าตาไม่เหมือนเดิมยิ้มสดชื่นมามากราบเท้าผมผมก็ยืนให้กราบโอ้ยอาจารย์เอ้แต่ก่อนนี่ผมไม่เคยเห็นความคิดตัวเองผมนั่นทําตามความคิดตลอดมาผมไปฆ่าคนตายหลายคนไปแล้ว ถ้าอาจารย์ให้ผมถึกผมจะไปฆ่าคนตายสองคนผมวางแผนไปแล้วสึกไปแล้วก็จะไปเอาปืนกับลูกชายไปเอาโโรถมอเตอร์ไซค์ไปยิงคนนั่นไปยิงคนนี้มันมันเห็นเท่าทุกวันนี้ก็ยังไม่สึกยังบวชอยู่ทุกวนันนี้ตั้งแต่ปีห้าร้อยสิบสี่มาขอสึกตั้งแต่ปีห้าร้อยสิบสี่แนี่ก็ยังไม่สึกยังิ่งอยู่ใน เห็นควาคิดตัวเองบางทีมันบังคับใหาเราลูกนะแต่เราไม่พยายามลูกลูมันบันงคับออกไปเลยถ้าดูดีๆนะมันต่าเถื่อนนหมนความคิดวางอย่างเลยจะลองคับได้ทุกเรื่องทุกราวเลยลองดูดีๆไม่ใช่เราเป็นที่ข้าของความคิดนะันที่เราไปกับความคิดแต่พื้นแต่พืออย่างนั้นเลย คนคิดมันเป็นตัวหนึ่งตัวรู้สึกตัวมันเป็นตัวหนึ่งก็มองอย่างนี้วิธีปฏิบัติกายก็เป็ น, นันหนึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นกายตัวรู้สึกตัวมันก็เป็นตัวหนึ่งเราจะเอาของกินมาศึกษามาพิสูจน์ว่ามันคืออะไรดู ด, ดีเหมือนเขาพิสูจน์ซองจดหมายฝุ่นเขาเรียว่าโลกอ็มเทค เขาก็มาพิสูดรดีๆที่แท้ก็เป็นแ้้งธรรมดาเพิสูตแล้วนี่มันไม่ใช่เลยเห็นเดินไปเห็นไม่เครือเถาวางอยู่ถนนหนทางรกว่างงวดเดิไปเลยเห็นงูเห็น ง, งู ด, ดูดีๆมัน ง, งูเ ป, นงเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ ง, งูก็ได้มันหลอกเราก็มี บังคนเดินไปเดินไปถูกกาบแดงขาบขาก็สลับไปออกไปกาบแดงตกลงไปในในป่าเห็นรอยขีดสองรอยเป็นเขี้ยวแล้วก็ตะขาบกัดบวชขาบกัดตะขาบกัดก็ดูเรามไม่ใช่ตะขาบรอยอย่างนี้เป็นรอยขีด อาจจะเป็นเปือกแดงมันตกไปตรงไห น, นตกไปตรงไห น, นตกไปตรงนั้นนะ่ะไปดูมันเป็นเปลือกแดงพอเห็นว่าเป็นเปลือกแดงความปวดก็หายตัย้งหวังมันสร้างอุปาทานขึ้นมาทำให้สุขทำให้ทุกข์ทำให้ชอบทําให้ไม่ชอบเป็นผลผิดผของอุปท า, านความหลงความโกรธความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เราก็ดีมันไม่มีอะไรมันก่อเรื่องก่อวอดขึ้น เรื่องมันก็เล็กน้อยคือความหลงถ้าดูดีๆเนะ่จะเห็นก้นบึ้งเต่าเห็นตีนอไก่เห็นตีนงูงูเห็นตีนไก่แล้วก็ต่างคนต่างเห็นกันเหมือนเห็นคนเล่นคนถ้าเราเงิ่เร่องกับเขาก็สนุกกับเขาอัศจรรย์ที่เขาทำได้เขาจูงควายเข้าไหาเขาบอกไอ้ตีไปเอาแป้งจาก ล้านเกล็กขั่วเไาตัดกระดาษเป็นรูปไอต้ตีไอตีน้อยเธ อ, อไปเอาเต้่างเกล็กขัวมาให้เราสักกระป๋องหนึ่งมาให้เต้ยกระป๋องหนึ่งนะแล้วเขาก็จุดกระดาษไอตีหนึ่งยัดใส่กระป๋องปิดไว้แล้วกไอตีไปแล้วไอ้ตีไปแล้วยังก็ได้เต้นนอยอ่า มาไอตีก็มาแล้วไอตีก็มาแล้วเราเปิดกระป๋องตป้งเติมกระป๋องทันทีแต่ก่องเขาก็เปิดกระป๋องให้เราดูกระป๋องว่างๆเขาก็เพื่อแต่จุดไอตี๋ลงกระดาษใส่กระป๋องตรงัะหว่างกับปิดปะเราก็ดูกระป๋องนั้เก่อนนะมันก็บอกว่าไอตี๋มาแล้วไอตีมาแล้วเปกระป๋องออกแป้งเติมกระป๋องเอามให้เราทาก็เป็นแป้งหอมๆเลย เร า, เาก็หลอกหลาเขหลอกเราเขาก็มาว่าโอ้ยไอตีนี่มันทำไมเปิดแปง้งล้านเช็คสวได้นไนด เ, ดนเนาะอัศจรรย์นลยปอโทษอโทษพอไปเรียนรู้จริงๆเขาทำกระป๋องหลายชั้นเปิดอันเดียวเขมีหลายชั้นพอเขาเปิดออกอันที่เขาอ่าดใต้ตีเขาไปเปิดออกยังมีควนอยู่ เราเปิดชั้นหนึ่งก็เป็นแป้งอยู่หน้าไม่นาาเป็นฝาบางๆอยู่หน้ากระป๋องก็มีวิธีของเขาเนี่ยเขาหลอกเรง <c oughs> ความคิดอะไรต่างๆมันหลอกเราเนี่ยสิสิ่งที่หลอกเราที่ดีๆมันก็เกิดอยู่กับเราเนี่ยแหละเราไปลุ้นต่างหากก็จหลอกหลอกให้โกรธอยู่ในอะไรมันคือก่อนที่จะโกรธมันคืออะไร ของพ่อก็เลยบอกมานานแล้วบอกว่าคือตัวหลงนั่นแหละคือตัวหลงนั่นแหละตัวหลงเราทำไงกับตัวหลงก็คือมาสร้างตัวลูกนี่แหละนี่คือมาสร้างตัวลูกนี่แหละตัวลูกเราสร้างได้ไหมสร้างได้ทุกคนทำไมจึง ท, ท, งทํทำได้ทำไมจึงจะทำได้ทำได้พระอาจารบอกว่าทำเนี่ยปฏิบัติได้ทำได้ ไม่ใช่ว่าทำไมได้ให้ผลได้สมควรแก่ผู้ปฏิบัติตอนรู้ตัวรู้ไปถ้ามันหลงก็ตัวรู้ไปใส่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติแต่ถ้ามันหลงไม่รู้ไม่มีความรู้มันก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติก็หลงไปความสุกก็รู้เข้าไปสมควรแก่ผู้ปฏิบัติความสุกก็ไม่เป็นไรความทุกข์ก็เหมือนกันรู้สึกเข้าไปอะไรก็ตามรู้สึกเข้าไป บอกเล่าบอกเกี่ยว่าเรื่องของกายของใจจะมีแปดเบอรสี่พันอย่างตัวรู้สึกตัวเข้าไปสอดรู้สอดถิ่นได้ทั้งหมดไม่มีตรงไหนจะติดความรู้สึกตัวไม่ได้ไม่เหมือนอนย่อื่นปฏิบัติเนี่ยปัตตมัติเนี่ยไม่เหมือนอย่างอื่นเรื่องของความรู้สึกตัวไปโยกไปเลืนเรื่องกายเรื่องใจได้ทั้งหมด <c oughs> เป็นของสากลไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่นิกายไม่ใช่ชาติไม่ใช่ภาษา ไม่ใช่เพศวหยเนี่ยนี่คือของจริงโลดูโลดโยดูไปดูไปู้แบบสุดชื่นนะสติเนี่ยลูกแบบบุ่งตรงเขียดแบบละมัดละันไม่ใช่ปวดโผเลยแแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเราจะดูมันตาก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องบริกรรมใดๆ ต่างความรู้สึกตัวเอากายมาประกอบเอาลมหายใจเอาพลิบตาเอาคลื่นน้ำลายเอาเดินเอาขั้เหยียดเคลื่อนไหวสาุพัดอย่างที่เราจะสร้างตัวโลกหามาแล้ได้ฉากนี้ก็เอาฉากนี้ฉากนี้มันไมช่ชัดก็เอามเมนต์พลิกเปลี่ยนแปลงให้เป็นคู้จัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์การปฏิบัติเนี่ยเห็นอะไเกิดขึ้นก็ อย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจโดยเหตุโดยผลให้มีความรู้สึกตัวก่อนเหมือนรองปูเทียนเห็นแมลงป่องตกใส่ขาแทนที่จะปัดเลยแมลงป่องมันของเป็นของเก็บตรวจไม่ใช่ของกัดคนตอยคนมันปวื้อหลวงปูเทียงก็ดูมัะแมลงป่องขาเนี่ย ก็เป็นลูกมะเร็งป่องก็เป็นลูกนะลูกกับลูกทําอะไรกันไม่เป็นนั่นยมะเร็งป่องก็ยังอุ้มลูกเติท้องอยู่อ่าลาพิษก็ยังอยู่แต่ว่าลูกกับลูกเป็นอะไรถ้ามะเร็งป่องโกรธความโกรธของมะเร็งต่องก็เป็นนาำถ้าขาของเรามีนื้อน้ำซใจของเราลูกก็โกรธต่ไปฆ่ามะเร็งต่องเอาลูกกับลูกจะทํายังไง นามกับนามจะทำยังไงอ่าลูบนามเอาสั่งให้นามลูบสุดได้ลูบกับนามมันเป็นลูบกับ น, นามเขาไม้ไปต่อค่อยๆไปวางให้แมลงก่องแมลงก่องก็จะไม้ก็ยกออกจากขาไปโอ้ลูบทำนามทำนะเนี่ยลูบจริงๆนามจริงๆไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปโอ้เห็นลูบเห็นนามแมลงก่องก็เป็นลูบขาก็เป็นลูบ ในเงียงกล่องก็เปนามในโลบเป็นขาเนี่ยก็เปนามเพื่อมีความรู้สึกเลยได้แก้ไขได้มองอะไรก็มองแบบบวกๆลบๆมองแบบผิดๆถูกๆมองแบบชอบไม่ชอบแมงบอกมองแบบเหตุบอกมองแบบผลก็อยู่ตรงนั้นแหละดูดีๆมันก็จะเห็นนะเห็นอ่ไรต่างๆเยอะๆเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับจิตใจ ภาษาก็เลยว่าเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอ่ามีเท่านี้อันใหญ่ใหญ่เวทนาก็มากความร้อนก็เวทนาความหนาวก็เวทนาความหิวก็เวทนาความปวดความมื่ยก็เวทนาหายใจเข้าหายใจออกสูดลมเข้าสูดลมออกก็เวทนาตานี่ถ้าไม่หลับก็เป็นเวทนาต้องหลับให้มันนำลายก็เวทนาถ้าไม่เนน้ำลายคอเป็นแห้ง มันเวทนานะเวทนานิดนิดเวทนาหน่อยหน่อยเวทนามากมากเวทนาจนตายก็มีเวทนาจนเกิดขึ้นเป็นไปซื่อออกเวทนาเล้าอย่างก็ขึ้นไปข่มผืนดอเวทนาเล้าอย่างก็ขึ้นต้องไปขโมยออกโอเวทนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นมน่อยนะผิดศีลผิดธรรมก็เป็นเวทนาเป็นเวทนานี่นะ เห็นเลทนาสังเวทนาไม่ใช่แตบุคคลตัวตนเราเขาเอ้าเขาเคฉลาดเขาเคยกลายเป็นปัญญาเวทนายทำไมเกิดปัญญาเวทนายทำไมเกิดโง่ความหลงไปก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาธรรมะสุขทุกขเวทนาธรรมอทุกขะวสุขกายเวทนาธรรมาไปหรอนี่อันชื่อว่าเวทนาแล้วชื่อหน้ามันเลยเั็น ฉลาดมีปัญญาแต่ก่อนเวทนาพาให้หลงเหมือนี่เวทนาพาให้ลูกตอบได้โอ้เวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัพุคนโตตนเราเขานั่นอักบสมนำนำหนาบ๊อบเวทนาเนียไข่ค้าแค่นั้นแต่ก่อนไข่ค้าหลายการหล่อคนสะอาดนะไข่ค่าเป็นสุกเป็นทงเปิดเพื่อน วันนี้เสียนามันโอ้ยสาวเวณนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตราคนเราเขาจิบจ้อยไปแล้วหายหลังไปแล้วบอมีค่าเลยเวทนาหาใจก่เอออะไรแบบนั้นะ t e a n OṂ m a a a